ธรรมบัญญายชุดทุกวันสำคัญชวนกันเจริญธรรมโดยพระพรมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยาณเวสกวันตตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่สิบสามเปิดปากเปิดใจ ใช้วาจาแก้กรรมทำประโยชน์ธรรมกาถาเมื่อวันมหาปวารณาวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2551วันนี้เป็นวันที่ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวันออกพรรษา แต่ภาษาพระเราเรียกวันมหาปวารณาเพราะเหตว่าการออกภาษานั้นเป็นไปเองเพราะอธิษฐานจําภาษาไว้สามเดือนครบสามเดือนเมื่อไรก็ออกเองวันนี้ที่จริงก็เป็นวันสิ้นสุดภาษานั่นเองสิ้นสุดการจําภาษาออกภาษาต้อง พุ่งในเช้าได้อรุณรับอรุณวันใหม่จึงออกภาษาจริงแต่เราก็เรียกไปตามภาษาชาวบ้านญาติโยมก็ไม่ถือกันไม่ต้องไปเคร่งคัดในภาษาทีนี้ที่เป็นวันมหาปรณนาก็เป็นพุทธานุญาติพิเศษื่าให้ภิกษุที่จำภาษาแล้วทำสังฆกรรมที่เรียกว่าปวารณาปวารณานันก็มี ในว่าอืได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีคำเรียกพิเศษสำหรับวันสิ้นสุดการจำพรรษาต้นนี้ว่ามหาปวารณาอย่างผมเนี่ยเมื่อครบสามเดือนคือกลางเดือนสิบสองวันนั้นก็จะทำปวารณาก็หมายความว่าอีกสี่รูปนี้ก็ทปํปวารณาเหมือนกันแต่ว่าไปทำอตอน กลางเดือนสิบสองก็เป็นที่สุดจำภาษาถ้าถ้าได้จำภาษาหลังนะถ้าไม่ได้จำภาษาหลังก็ก็ไม่ได้ถือไม่ได้จำภาษาอีกเหมือนกันอันนั้นก็เป็นปรณาไม่เรียกว่ามาหาปรณานี้ปาวารณานี่ก็เป็นสังกกรรมพิเศษมีพุทธานุญาตไว้เพื่อความสามัคคีอุโบสถนั่นก็เป็นเรื่องความสามัคคีอยู่แล้วแต่มุ่งไปที่ การได้ตรวจสอบการรักษาวินัยในพระปาติโม่ตามปกตินี้บระาก็เป็นการเสริมความสามัคคีนั้นในโอกาสพิเศษที่ได้จำพรรษาครบสามเดือน ไ, ได้อยู่ร่วมกันมาได้รู้เห็นความเป็นไปความประพฤติอะไรต่างๆของกันและกันแล้วก็เลยมาให้โอกาสกัน ที่จะว่ากล่าวคำว่าปวรณาก็เลยเกิดขึ้นก็เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวกันได้ซึ่งคำที่ว่าที่ปวรณานั้นก็บอกไปในตัวว่าแสดงว่าได้อยู่ร่วมกันมาจึงได้บอกอธิเถนะวาสุเตนะวะบริสังกายเาวเพราะได้อยู่ร่วมกันมาแล้วก็เลยว่าจะได้เห็นก็ตาม ได้ยินได้ฟังก็ตามระแวงสงสัยก็ตามก็มีอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมผิดพลาดไปควรจะแก้ไขปรับปรุงก็บอกกันแตาไม่ใช่หมายความว่าบอกเฉพาะในที่ประชุมนี้ที่ว่าปรนนะคือปรนน า, านี่ก็เป็นโอกาสเป็นเวลาสำหรับที่มากล่าวทำเปิดโอกาสนั้น ตอจนี้ก็เปิดโอกาสกันแล้วบอกได้เรื่อยภาวนาเ น, นี่ก็เปิดตรงข้ามกับปิดเราจะมีคําว่าปิดก็นิวารณาอันนี้ปวารณาก็เปิดนิวารณาก็ปิดทีนี้ถ้าเป็นทางจิตใจก็มีกิเลสชื่อว่านิวรก็ปิดนั่นแหละกัน กั้นขวางความเจริญก้าวหน้าในกุศลธรรมโดยเฉพาะปัญญาแต่ <c oughs> ทีนี้ปรารณานี้เพราะว่าแปลว่าเปิดก็มีความหมายเลยต่อไปถึงเชิญเลยก็เลยมีความหมายที่ให้ไว้ตัวหนึ่งว่าอานะัจฉรินะแปลปรารณาว่าการเชื่อเชิญได้ก็เชิญเลยเชิญ น, นี่หนักแน่นยิ่ก็เปิดโอกาสเชิญให้ว่ากล่าว อย่างของฝรั่งคำพีพระวินัยปิดดกของฝรั่งเนี่ยเขาก็แปลคำว่าปรารณาเป็น i ิน i t a t i o n นเแปลว่าการเชิญไปนี่การเชิญหรือการเปิดโอกาสเนี่ยโดยทั่วไปก็มีสองอย่างหนึ่งก็ของพระเนี่ยปรารณาเปิดโอกาสกันให้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปรวารณาอีกอย่างนึงก็คือโยม โยปรวรณากับพระอันนั้นก็คือเปิดโอกาสหรือเชิญนิมนต์ให้ขอได้ให้บอกความต้องการได้นี่จะมีวินัยมากหลายข้อที่ว่าภิกษุจะขอได้เช่นจีวร อ, อาหารอะไรกับโยมที่เป็นญาติหรือปวารณาถ้าเขาปวารณาไว้แล้วจึงขอได้ ถ้าเขาไม่ได้ปรณนาไว้ยแล้วไม่ได้เป็นญาติไปขอเขาก็ต้องอาบัติแต่นั่นก็เป็นปรณนาที่ญาติโย่ปรณนากับพระนี่อันนี้เราพระต่อพระก็ปรณนาเพื่อโอกาสให้บอกว่ากล่าวหรือเชิญนิมนต์ให้ว่ากล่าวกันปรณนานี้ก็ถือว่าเป็นปฏิกรรมอย่างหนึ่งในปฏิกรรมใหญ่อยู่สามอันที่เกี่ยวกับวินัย ปฏิกรรมที่หนึ่งก็ทําอยู่เป็นประจําก็คือปรงอระบาดเรียกว่าปฏิกรรมเหมือนกันคํารวมก็เป็นปฏิปรณานี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิกรรมปฏิกรรมของการปรงอระบาดนั้นก็เป็นเรื่องของอาบาดเฉพาะข้อนั้นๆว่ากลับแก้ไขตัวเองไม่ทําอย่างนั้นอีกเลิกทําแต่ปรณานี้ก็เป็นการที่ว่า ต่อจากพรณนาแล้วเขาบอกกล่าวแล้วตัวเองก็จะได้ปฏิกรรมตัวเองจะได้แก้ไขทันี้อันนี้กว้างเลยจะแก้ไขปรับปรุงเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ท่านผู้อื่นได้บอกแนะนํานั้นก็เลยไปอยู่ท้ายคําว่าปสันโตปฏิกริสามิเมื่อกระผมมองเห็นก็จะได้ปฏิกรรมปฏิกริสามิก็คือปฏิกรรมจะได้แก้ไขเสียกับตัว แลปฏิกรรมอีกอย่างก็กว้างออกไปถ้าเรียกว่าอยู่ในอริยวินัยอันนี้วินัยของพระสองอันนี่ปวงอาบาาัติโพลนาเละ อ, อันนั้นนั้นก็เป็นอริยวินัยนั้นกว้างไปหมดเลยสําหรับคารืหัดด้วยพระด้วยหมดอันนั้นก็เป็นการที่ว่าเช่นว่ามีใครมากระทำรุ่งเกินและเมื่อแต่ผู้อื่นได้เข้าใจผิดหรือด้วยเจตนาไม่ดี สำนึกตัวได้ก็มากล่าวคำขอขมาอาภัยแล้วก็ขอขมาอาภัยแล้วก็แก้ไขตัวซะเลิกทำการที่ไม่ดีที่ละเมิดต่อผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่ามีผู้ที่มากล่าวคำขอขมาอาภัยพระพุทธเจ้ามีหลายเรื่องหลายราวมีทั้งพระทั้งโยมพระบางองค์ก็เคยประพฤติ มีความรู้สึกไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมที่วัดของท่านและท่านไปเทศอะไรเข้าพระองค์นั้นไม่พอใจเนี่ยต่อมาสํานึกได้ก็ตามมาที่ประทับพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาแล้วตามมาขอพามาไปที่อย่างพวกนายขมังธนูที่พระเทวทัตจัดตั้งขึ้นไปให้ไปยิง ปรงพัชชนพระพุทธเจ้าและในขำังธนูนั่นก็ทำไม่ได้ด้วยอนุภาพพระเมตตากรุณาพระมหากรุณาธิคุณก็เลยกลายเป็นว่าเข้าไปกราบขอขมาภัยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จัดรัดว่าการที่ทำร่วงเกิดละเมิดอะไรไปนี่ก็เมื่อรู้สำนึกแล้วก็ปฏิกรรมซะทำการแก้ไขก็จะเป็นความ เจริญงอกงามในอริยวินัยเรียกว่า บ, บุพทิเหิสสะอริยะสะวินยเยเป็นความเจริญในวินัยของอริยชนในปฏิกรรมใหญ่ก็มีสามอันเนี่ยก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าแก้กรรมแก้กรรมนี่ก็แปลว่ามีได้แต่ว่ามีในทางที่ถูกมันจะแก้กรรมแบบเอาดอกไม้ทุบเทียนไปบนบานสันกล่าวอะไร ที่เคยมีพระไปชวนญาติโยมทำแก้กรรมกันก็กลายเป็นเรื่องศยศาสตร์เป็นเรื่องถือโชคถือลางไปอันนี้แก้กรรมในทางพระวิ น, นัยก็คือการแก้ไขปรับปรุงตัวและเลิกสิ่งที่ผิดทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นนั่นแหละนะปฏิกรรมนี้หลักใหญ่นะครับหลักธรรมสำคัญอันหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยพูดกันก็เลยพูดแต่กรรมกรรมกเคยเล่าแลวบอกบงทีเราก็ไปอ้าง พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งในพุทธศาสนสุภาษิตเล่มหนึ่งสำหรันธรรมชั้นตรีกตัดสานธิปฏิการังแปลว่าการที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้อันนี้ก็ใช้คำว่าปฏิกรรมเหมือนกันปฏิการะก็ปฏิกรรมนั่นแหละคือปฏิกรรมนี้มีหลายรูปปฏิกิริยาก็เป็นปฏิกรรมปฏิกรรมปฏิกานเป็นปฏิกรรมดังนั้น อี น, นี้อันนั้นทำคืนไม่ได้หมายความว่าที่ทาแล้วกลับให้เป็นไม่ทำไม่ได้แต่ปฏิกรรมในความหมายของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าแก้ไขสิ่งที่ทำแล้วที่มันผิดก็ไม่ทำอีกกลับตัวนั่นเองแล้วก็ไปทำสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปเป็นหลักการปรับปรุงพัฒนาเป็นส่วนสำคัญเลยเมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องทากรรมที่ดีที่เป็นกุศล นี่ถ้าทำกรรมไม่ดีก็ให้ปฏิกรรมแล้วก็จะได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเป็นคำใหญ่อันหนึ่งแต่ในหลักที่เราเรียนกันไม่เอามาใช้บางทีก็เลยทำให้ขาดจุดเน้นสำคัญอันหนึ่งไปก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วนะก็ปรณาก็หลักการกันเนี่ยให้ ผู้ที่อยู่ร่วมกันมาตลอดพรรษาก็มาเปิดโอกาสนิมนต์เชิญกันว่าได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังระแวงสงสัยอะไรว่ากระผมทาไม่ถูกต้องไม่ดีอะไรก็ขอให้บอกกล่าวกันแล้วจะได้แก้ไขปรับปรุงเมื่อได้พิจารณามองเห็นก็เป็นว่าเปิดโอกาสกันแล้วเมื่ออยู่กันด้วยการเปิดเผยตัวต่อกันบอกกล่าวแนะนากันได้ก็เป็นกายาณมิตต่อกัน เป็นเครื่องช่วยในการพัฒนาตัวเพราะว่าผู้ที่อยู่ในธรรมวินัยนั้นมรดกประสงค์สำคัญก็คือการพัฒนาชีวิตการศึกษาในการปรณนาก็เลยเป็นเครื่องช่วยในการพัฒนาชีวิตในการศึกษาที่จะเจริญ ง, งอกงานในใจศึกษายิ่งขึ้นไปของทุกๆ ท, ท่านนนั้นก็หนึ่งสำหรับแต่ละบุคคลก็เอื้อต่อการที่จะได้เจริญในศึกษาพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสองในแง่ส่วนรงมก็เป็นการทำให้เกิดความสามัคคีเพราะว่าเมื่อว่ากล่าวกันได้ไม่กินแหนงแขงใจไม่เอาเก็บอะไรไว้ค้างในใจมันก็ทำให้สบายใจพูดกันได้เต็มที่ก็หมดเรื่องไปก็เลยในแง่ส่วนรวมก็เป็นาการรักษาความสามัคคีเนี่ยแล้วก็สังฆาณิถือความสามัคคีเป็นสำคัญจุดใหญ่ก็อยู่ที่นี่ละ นหลักนี้ในทางปฏิบัติเวลานี้เลยกลายเป็นพิธีกรรมไปเดี๋ยวนี้สังขกรรมต่างๆก็มักจะเหลือแค่เป็นพิธีกรรมก็ว่ากันแล้วก็จบไปก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังก็เลยสักแต่ว่าทำเป็นพิธีไปซะอะไรหายเดยนนี่ก็พิธีสังขกรรมเป็นพิธีกรรมไปซะหมดที่จริงคำว่าพิธีกรรมเองก็เดิมก็เป็นคาที่ดีพิธีกรรมก็คือการกระทาที่เป็นวิธีการ ที่จะให้ได้บรรลุจุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพิธีเดี๋ยวนี้มันเป็นเพียงรูปแบบทำรูปแบบตามที่กําหนดวางไว้แล้วก็ถือว่านั่นคือพิธีพิธีมันก็เลยไม่สื่อไม่เป็นเครื่องนำไปสู่จุดหมายมันก็เลยตายอยู่แค่นั้นเองนั่นก็ ต้องมาลื้อฟื้นแล้วก็มาบอกความหมายเตือนกันไปเป็นครั้งคราวอยู่เรื่อยๆถ้าทำได้ก็ดีปฏิบัติกันได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ขยายไปญาติโยมด้วยอย่างเวลานี้สังคมกำลังยุ่งทะเลาะวิวาทกันเนี่ยถ้าประวรณากันได้ก็คงดีนะนี่ไม่ยอมภาวณากันเลยมีแต่เอาดีเข้าตัว เวลาว่าก็ว่าได้อีกฝ่ายหนึ่งเต็มที่เลยอีกฝ่ายนังไม่มีดีเลยใช่ไหมเนี่ยตัวมีแตดีไม่มีผิดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้สังคมไทยกำลังจะแยกก็เพราะอันนี้ดะงนั้นก็พราณานี่พอดีมาถึงตอนนี้ตอนระยะที่เขากำลังยุ่งกันอยู่เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างให้แก่พวกขรือหัน ว่าเออทั้งทั้งหลายควรจะปรณนากันซะนะเปิดโอกาสแก่กันและกันบ้างให้ว่ากล่าวกันทั้งสองฝ่ายมันก็มีทั้งข้อผิดข้อถูกด้วยกันแหละไม่ใช่มีแต่ผิดอย่างเดียวถูกอย่างเดียวนี่นี่ก็เลยกลายไปว่าฝ่ายฉันถูกหมดฝ่ายคุณผิดหมดอีกฝ่ายนึงก็ฝ่ายฉันถูกหมดฝ่ายคุณผิดหมดเหมือนกันมันไปกันไม่ได้ในที่สุดมืนก็นทะเลาะกันในที่สุดมันจะถึงขั้น ไม่ทะเลาะด้วาจาทะเลาะในกายด้วยก็ออกมาทางกายก็จะทําให้เกิดสิ่งที่ปัจจุบันเขาเรียกว่าการความรุนแรงก็จะหนีพ้นหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าบางครั้งดูเหมือนจะ ว, ว่าหรือเขาวิจารณ์กัน ว, ว่ามีความมุ่งหมายเลยที่จะให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเพื่อจะได้เป็นโอกาสให้ได้ก้าวไปสู่จุดหมายได้ถ้าไม่มี เหตุรแรงเกิดขึ้นก็เหมือนกับติดตันอยู่นี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่ามันมีลู่ทางที่มันจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะแก้ไขได้หรือเปล่าถ้าอาปรณนาไปช่วยคงแก้ได้ทีนี้ก็ช่วยกันเตือนญาติโยมด้วยนะเพราะว่ามันไม่เฉพาะที่ทะเลาะกันในที่ชุมนุมหรือเป็นกลุ่มเท่านั้นเวลานี้มันขยายไปทั่วประเทศชาวบ้านทั่วไปก็ พอยแตกแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะนั้นก็บอกญาติโยมได้หมดบอกว่าถึงเวลาปรณนาแล้วพระกับปรณนากันแล้วโยโอบปรณนายัางเปิดโอกาสกันซะจะได้แก้ไขปรับปรุงรับฟังได้อย่างน้อยเขาเตือนก็รับฟังได้รับฟังแล้วก็สามารถพูดจากันอีกแล้วก็ในที่สุดก็นี่แหละแก้ไขปรับปรุง ไปจุดหมายแล้วก็เกิดความสามัคคีถ้ามาใช้ในสังคมนี้ประชาธิปไตยก็พัฒนาประชาธิปไตยต้องเติมหลักนี้เข้าไปพอแล้วก็จะช่วยปะประชาธิปไตยพัฒนาพระชาธิปไตยมันไม่ได้สมบูรณ์แล้วประชาธิปไตยยังต้องพัฒนาแม้แต่ประชาธิปไตยของประเทศที่เราเรียกว่าพัฒนาแล้วที่เขาบางทีเขาเรียกว่าพัฒนาสูงสุดก็มีนะอย่างประเทศอเมริกาอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยสมบูรณ์หรอก เขาก็ยังยุ่งกันอยู่ก็ยังเป็นประชาธิปไตยในขอบเขตจํากัดอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่โดยอันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยได้จํากัดด้วยโลติสเศรษฐกิจเป็นฟรีมาเก็ตดิมอคคาซีว่าเงินเป็นประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีก็คือประชาธิปไตยแบบทุนนิยมจํากัดด้วยเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือตอนนี้ก็เห็นว่ามีศัพท์ใหม่และของ ประธานาธิบดีบูชไม่รู้ใครเป็นคนพูดพูดขึ้นก่อนแต่บูชจะใช้ว่างั้นว่าดิโมครติกแคปิตอลิซึมเป็นทุนนิยมแบบประชาธิปไตยเางั้น <Yeah. S 2> อันนี้ก็คือเอาไอตัวประชาธิปไตยมาผนวกกับเศรษฐกิจและในที่แท้ก็คือเป็นประชาธิปไตยที่ถ้าใช้คำแรงก็บอกว่า เป็นประชาธิปไตยที่เป็นาธาตุรับใช้เศรษฐกิจเพราะว่าจุดหมายที่แท้มาไปอยู่ที่วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจประชาธิปไตยมันก็เป็นประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์มีความขับแคบวัตถุประสงค์ก็อยู่จุดหมายสำคัญก็อยู่ที่นั่นต้องช่วยกันต้องพัฒนาประชาธิปไตยต่ออนนี้ก็เอาเรื่องปรานาเนี่ยไปช่วยรับ ก็อาจจะดีขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยมาถึงตอนนี้แล้วก็เลยเอาไปขยายให้เป็นประโยชน์ช่วยตักเตือนญาติโยม่งที่ว่านี่นอกจากเรื่องของขรารือหัดแล้วแม้แต่พระสงฆ์เราก็อย่างที่บอกเป็นป ร, รณาก็เป็นพิธีกรรมไปไม่เฉพาะในกิจการในวัดในส่วนที่ประชุมย่อยๆเป็นจุด เป็นที่อย่างวัดเดียวอะไรท่านั้นแม้จะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยก็มีปัญหาไม่ค่อยมีการเปิดเผยที่จะได้แก้ไขปรับปรุงนะลองบองดูสงส่วนรวมแม้ทางด้านการศึกษานีพระใหม่ท่านก็เพิ่งสอบเสร็จก็สอบนักธรรมตรีกันไปสอบนักกับภูมิกันไป คามจริงเองหนังสือเรียนเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่จริงก็น่าจะปรณนากันหนังสือเรียนที่เราเรียนเนี่ยก็มีที่ยังผิดหลายแห่งแต่ว่าก็เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้ยกมาพูดในเวลานี้กันมากพูดกันบ้างแต่น้อยแต่ต่อไปถ้าไม่มีการแก้ไขปรับปรุงก็คงจะเกิดปัญหาอย่างที่เราเรียนกันเนี่ยเอาอย่างบอกว่า พระอานน์เป็นโอรสของใครนะถ้าเรียนตามหนังสือเรียนก็บอกเป็นของพระเจ้าชายสุโกโธนะใช่ไหมนะแต่ถ้าดูคมภีร์ส่วนมากก็จะเป็นพระอมิตโตธนะพระบิดาพระอานนนคัมภีร์ส่วนใหญ่จะเป็นพระอมิตโตทนะมีอยู่แห่งเดียวบอกสุโกธนะแต่อนนันก็ จ, จะ ผิดไปที่สุโกธนะกลายเป็นว่าที่ถูกก็เป็นอมิโตธนะอย่างอีกตัวอันนี้แบบเรียนก็ยังเป็นสุโกธนะทีนี้ถ้านักเรียนเกิดไปตอบอมิโตธนะอาจารย์ไม่ได้ดูไม่รู้คำภีร์ก็เอาตามหนังสือเรียนก็ตกองค์ที่ตอบอมิโตธนะเออหรืออย่างเนี้ยอย่างตัวอย่างง่ายๆพุทธประวัติอีกอย่างพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา เราก็จำไปว่าเห็นเทวทูตสี่แต่ถ้าว่าตามคำพีอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยนิมิตเตจตุโรทิสวาพระองค์ได้เห็นนิมิตสีนิมิตสจึงเสด็จออกบรรพชาเพราะว่าในสี่อย่างนั้นสามอย่างแรกเป็นเทวทูตแต่พระภิกษุไม่ได้เป็นเทวทูตใช่เทวทูตมีสามก็ได้มีห้าก็ได้ ถ้ามีห้ามีอะไรบ้างมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนถูกลงทันต ก, กรรมก่อนถูกลงโทษอันนี้พระนี่นักบวชบรณชิตไม่ได้เป็นเทวทูตไมไ่อยู่ในชุดนันก็เป็นว่าพระพุทธเจ้าจารจิทธตะเห็นเทวทูตสามแล้วก็บัณฑิตหมายว่าหลังจากเห็นเทวดทูตสามเตือนพระองค์แล้วก็เห็นทางออกที่เนี่ย ที่บรรพชิตไปทางออกพราโอ้นี่เทวทูตมันเตือนว่ามันอย่างนี้สภาพมนุษย์ชีวิตเกิดมาก็อย่างงี้แย่เลยใช่ไหมพอเห็นวบนรรพชิตสมณะก็เลยเห็นทางออกก็ตรงข้ามกันเลยสมอย่างแรกกับข้อสุดท้ายแต่ว่าในพระไตรปิฎกในกแตกรถาได้จะใช้คํารวมว่าทรงเห็นนิมิตสก็คือทั้งสี่อย่างนี้เป็นเครื่องหมายหมด นี่ถ้านักเรียนไปตอบเห็นนิมิตสี่ดีไม่ดีอาจารย์ที่ตรวจเอาตกเลยแล้วต้องตอบเทวทูตสี่แต่ว่าเทวทูตสี่ก็ยอมให้ได้ในแง่ว่าคือท่านไปออกในแง่ว่าเพราะว่าทั้งสอย่างที่พระโพธิสัตว์ได้พบเห็นนั้นเป็นเทวดามาทําให้เห็นมาสําแดงก็เลยเป็นเรื่องที่เทวดาสัมดงออกมาก็เลยเรียกเทวทูต แต่ที่จริงๆถ้าเอากันเคร่งครัดก็ก็ต้องบอกว่าเห็นเทวทูตสามและปัญประชิตหรือถ้าเรียกรวมก็เลยเป็นนิมิสีอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างเรื่องอาศิตดาบทหรือการลเทวร ะ, ะดาบทเนี่ยหนังสือเรียนเราไม่ว่าเป็นพุทธประวัติหรือพุทธานุพุทธประวัติก็จะบอกว่าอาศิตดาบทก็ทําได้เป็นสองอย่างหมายความว่าถ้า อยู่ครองขาหลหัตก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิออกบรรพชาก็เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรุสมุทสมาสโพธิญยานแต่ในพระไตรปิฎกเองในพระสูตรเนี่ยสิทธดาบทไปเยี่ยมเจ้าชายสิทธัตถะประสูตรใหม่พระเจ้าสุโธธนะนี่ก็นำเอาเจ้าชายสิทธัตถะมาแล้แทนที่ว่าจะมานมัสกรารก็กลายไปว่า พอมาถึงเข้าไปใกล้แล้วก็กลายไปว่าพระบาทของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะวัดขึ้นไปอยู่บทเสียนของอศสสิดาบทนี่อศสสิดาบทดูลักษณะแล้วก็ตอนแรกก็ดีใจแล้วต่อมาก็ร้องไห้ดีใจก็เพราะว่าได้ชื่นชมพระโพธิสัตว์แต่ว่าร้องไห้ก็คือว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่ ได้รับคําสอนในนั้นก็บอกแต่เพียงว่าจะตรัสรู้เป็นบุคคลเจ้าแล้วหลังจากที่ได้มาแล้วก็ออกไปก็ไปบอกกันหลานเขาตัวเองว่าตัวท่านเองนะ่ะไม่ได้อยู่แล้วท่านจะต้องสิ้นก่อนอายุท่านมากแล้วก็ขอให้หลานแน่รอเมื่อเจ้ชายิทธัตะบรบัจชาก็ขอให้ได้ตามเสด็จไปเฝ้าไปฟังคําสอนนะไปบอกหลานไว้ ก็แปลว่าเท่ากับ ว, ว่าอสิตาดาบทได้ทํานายอย่างเดียวอันนี้ก็เคยมีครูอาจารย์ที่เขาไม่ได้เรียนมาในแบบสายนักธรรมหรือธรรมศึกษาเขาก็ไปเรียนอีกสายหนึ่งมาก็ไปเจอพระไตรปิฎกแต่พราะนั้านุกรมเขาก็เขียนมาท่วงว่าเอาทำไมพระเจ้านุกรมบอกว่าอสิตาดาบทบอกว่าเจ้ชาชายสิทธัตถะเนี่ย ถ้าอยู่ก็จะเป็นจกักรพรรดิของเรือนถ้าเป็นบุตก็จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ขัดแ ย, งย้งแหละเราก็ต้องชี้แจงว่าต้องให้โอกาสกับพวกสอบนักธรรมหนังสือนี้มุ่งที่ผู้สอบนักธรรมพระจนานุกรมนี่เขียนไวแน้แต่ต้นบอกมุ่งสําหรับตต่ตอนแรกเนี่ยเรียกเลยว่าเป็นพระจนานุกรมสําหรับนักเรียนนักธรรมก็เลย ต้องเอาตำราเรียนเป็นหลักมะงงินเดือนนักเรียนตกนีนี่ถ้านักเรียนไปตอบตามพระไตรปิฎกก็อาจจะตกได้นี่ข้อที่ว่าปรณนาก็คือว่าผู้ที่ทำหนังสือเรียนที่รักษาไว้เนี่ยร็วควรจะเปิดโอกาสที่มีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมแก่นักเรียนแก่วงการศึกษาทั่วไป นี่ก็เหมือนกับปิดไว้ไม่ยอมเลยมากลายเป็นมีสุดตรงสองพวกพวกหนึ่งก็คือไม่ยอมและต้องรักษาไว้ตามที่ท่านที่ตัวเคารพนับถือทำแบบเรียนไว้อันนี้มันหนังสือมันก็เป็นของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิริยานวโรรสนี่ผู้ที่รักษามาก็ไม่ยอมให้มีการแก้ไข ทีนี้อีกพวกหนึ่งก็ไปสุดโต่งก็ไปเป็นติเตียนท่านว่าทําผิดอะไรที่จริงควรเห็นว่าคุณของท่านอย่างสูงสมเด็จมหาสมณเจ้านี่งานท่านมากเหลือเกินทั้งการปกครองทั้งการศึกษางานเยอะๆอย่างงานหนึ่งมันก็ต้องมีบ้างพลังพลาดเล็กๆน้อยๆส่วนที่ทําไว้ดีงามมากมายเหลือเกิ น, นก็เป็นเรื่องของลูกศิษย์คนรุ่นหลังที่จะต้องมาดูก็มา ช่วยต่อจากท่านท่านทําไว้ให้เป็นพื้นเราก็มาช่วยกันดูตรงไหนที่มันปิดภาพปกพร่องก็มาช่วยกันแก้ไขบอกไว้ก็คนระลึกพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยท่านทําไว้ให้อย่างดีเนี่ยการศึกษาในเวลาที่สั้นนี่ท่านทําไว้ให้ไม่รู้เท่าไรเลยเนะี่ารปกครองก็ปรับปรุงแก้ไขพวกตํำรับตําราก็ทําไว้เยอะแยะหมดอันนี้เป็นส่วนที่ สำคัญแต่ทีนี้ความเจริญการงานทั้งส่วนรวมมันก็ต้องอาศัยว่ามีท่านที่ทำไว้ให้เบิกทางไว้แล้วเราก็ช่วยกันนีก็คือสืบต่อแล้วก็ขยายทำให้มันเจริญ ง, งอกงามยิ่งขึ้นนั้นท่านคนา้นคว้าคำภีไว้เออคนเยอะแล้วคนต่อมาไม่ค้นต่อจะนี่เอาแค่ที่ท่านบอกให้มามก็จบไปสิใช่ไหม มันไม่สมกับวัตถุประปสงค์ขององค์ท่านเองเี่สามท่านค้นไว้ก็เพื่อเป็นฐานให้เราช่วยกันค้นขยายต่อไปอย่างนี้มันจึงจะเจริญงอกงามเนี่ยก็เวลานี้มันกลายเป็นว่ามีสุดโตงสองอย่างเนี่ยพงหนึ่งก็ปิดกั้นไม่ยอมให้แก้ไขปรับปรุงท่านทไว้ยังไงต้องทูบหมดอีกพงหนึ่งก็เจอนิดเดียวก็หาว่าท่านอย่างนั้นนี่ผิดพลาดเนี่ย เมื่อเลยกลายไปกันไม่ได้สุดหลวงก็ไม่เจริญงอกงามก็แบบเดียวกันในสังคมไทยเนี่ยที่เป็นปัญหาแม้แต่ขนาดเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับความดีของกันและกันเนี่ยแล้วก็เพ่งโทษกันและกันไม่ยอมเปิดเผยตัวต่อกันว่ากล่าวพูจากันไม่ได้พุทธเจ้าก็เลยตัดไว้ว่าวาจาเนี่ยสำคัญต้องใช้วาจา เรื่องของเรานี่มันก็วาจจา้างนั้นใช้มาทำอบูบสดปรณ น, นาก็ใช้วัจาในทางที่ดีงามที่จะทำให้เกิดความเจริญพัฒนายิ่งขึ้นไปไม่ใช่วาจจาปิดกันนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหรือปรน า, นานขึ้นมามันก็เกิดจากต้นบัญญัติที่ว่าพระชุดหนึ่งผมเคยเล่าให้ฟังแล้วพระชุดหนึ่งที่ว่าไปจาบรรษา เราตั้งกติกากันว่าเราจะถือปฏิบัติพรรษานี้ให้เคร่งครัดปฏิบัติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่พูดกันก็ตั้งกติกากว่าตลอดพรรษานี้ไม่พูดกันนี่พอออกพรรษาแล้วก็มากราบพระพุทธเจ้ากันแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสถามสุขทุกข์อาจารก็เลยเหมือนกับ มันก็ดีใจว่าจะได้อวดว่าตัวได้ปฏิบัติอย่างดีพอพรรษาที่แล้วนี่พอก้าวกระหม่อมก็ได้ตั้งกติกากันไว้ไม่พูดกันปฏิบัติเต็มที่พระเจ้าก็ะตัดติเตียนว่าฉไหนเธอทั้งหลายจึงอยู่อย่างปสุสัตว์โอ้แทนที่จะสรรเสริญกลายเป็นว่าตําหนิเต็มที่เลย แล้วก็เลยบัญญัติสิกขาบทว่ามิให้ภิกษุถือมูขวัตอันเนี้ยการที่ถือปฏิบัติไม่พูดกันเนี่ยกติกานี้เรียกว่าเป็นมูขวัตเป็นข้อปฏิบัติของผู้ใบถือเป็นใบนั่นเองถ้าใครถือมูขวัตนี้ปรับอบตบทุกกฎแล้วก็เลยบัญญัติต่อให้โปรานานี่แหละมาตอนเนี้ยก็ตรงข้ามเลย แทนที่จะมาเป็นใบใ้ไม่พูดจากันนี่ต้องพูดกันแล้วก็จะได้มีโอกาสฝึกวาจาการฝึกวาจาหนึ่งฝึกวาจาด้วยสองใช้วาจานั้นมาเป็นเครื่องช่วยประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมก็ช่วยกันมาเรล า, าในโอกาสนี้ก็มาช่วยกันในการฝึกด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องกิจการส่วนรวมวาจาก็เพียงแต่ว่า ก็พัฒนาซะทำให้เป็นวาจาดีพ้นจากวจีทุจริตมาเป็นวจีสุจริตเป็นวจีสุจริตแล้วก็ทำให้เป็นวาจาที่ส่งเสริมการศึกษาายศึกษาแล้วก็ประโยชน์สุขของส่วนรวมก็เลยได้ผลดีเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละก็เราก็เทียบกันเลยบอกว่าเนี่ยพระเจ้า ให้รู้จักใช้วาจาแทนที่จะเป็นนิ่งไปใบะจะไ ม, ไม่พูดกันไม่ได้ความหรอกมาฝึกวาจาเนี่ยให้มันพูดให้เป็นให้ดีแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์การของสง์เราแล้วก็มาติดเนี่ยมีท่านที่สร้างความจเจริญงอกงามไว้มาทําไว้ริเริ่มไว้บ้างอะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยต่อไม่ค่อยขยายก็เลยกลายเป็นปิดกั้นกันอยู่เนี่ยก็เอาวันนี้ก็เลยพูดกันไปเรื่อยๆ เ, เนีย ก็เห็นจะพอสมควรก็เป็นเรื่องปรรณนาอย่าลืมไปเตือนญาติโยมช่วยกันหน่อยเอาละอนุโมทนา